ม, มามาร์ใครๆก็ทราบกันดีแล้วแบมี้องค์แประการมีสมาธิถี่เป็นตัวสมาธิถี่เป็นตัวสําคัญสําคัญทั้งกฎทหมดมันบอกว่าตัวสมาธิถีคือตัวที่ชอบเดียวเป็นตัวประธานส่วนบริวารจ็ดนั่นเป็นบริวารยิ่งอย่างกันว่า นักปฏิบัติแล้วจะรู้สิ่งต้นเองเรื่องทัน้นี้คำว่าสมาธิเดียวเดียวทั้งนี้คำเดียวทั้งนี้สมาธิคือความเห็นชอบคําาเห็นชอบนีม่มันถินความเลืกละเอียดคนเราที่ว่าเห็นชอบไม่ใช่เห็นชอบ ท, อที่บอธิบายจื้นตื้นตัวเือเห็นว่าบาปนี้บุญนี้ ทำดีได้ดีทําเชื่อได้ชื่วโลกนี้มีโลกงามมีพระพุทธ ก, การประสงค์เป็นของดีต้องคิดดูข้อมือเห็นอย่างนี้เราก็มีชอบตกลงว่าถ้าหากเชื่อว่าบาปมีอยู่มีทำดีจะดีเป็นประโยชน์ได้ดุดดแล้วใครจะไปกล้าทําชั่วทุกคนก็กลัวผนชั่วเกลียดคนชั่วอยู่แล้ว เมื่อละกลวามชั่วแล้วก็ตื่นทั้งพวกหมดมันก็ไปในแนวเดียบเีา้าวิชสมาจังกะปะดํำดิช่อถ้าเห็นชาติาจริงๆอย่างนั้นแล้วความดำดิในการที่จะเวียนจากคนชั่วก็เกิดนี้ ค, ความดำดิช่อจังมาเียกว่าสมาจังกะปะจังมาวาจา่า ไม่ได้พูดอคําว่าจำสมาวาจารในที่นี้ในองม์มตทไม่ได้พูดไม่ได้แสดงถึงเรื่องการพูดออกมาสาาจาทั้งปากวาจาในที่นี้ว่าถึงเรื่องความมิจกหมายถึงความมิตกวิจกตริบปนจริงคนพูดถ้าคนเราไม่มีการวิจกตริบพูดไม่ถูก ให น, นหน่วยาจายนั่นคือควมมิตรอันนี้ถ้าหากรู้บาสนิถ่โทษบาสนี้นี้มีความเห็นชอบเป็นเพื่อนอย่างแรกความดั่งลิในการที่จะละความชั่วมันก็เกิดนี้ขึ้นเรียกสมาอาจารสัมมากัมมันโตที่อธิบายกันเลยว่าว่าการงานสึกจริต เดีย๋ยวไปพูดถึง เ, เรื่องไนะนั่งเพราะว่านาทำสมาธิไม่ไปทํางานอะไรดไต่จงมาทํางานท้ายหน้าหรอกมันจะไปพูดอะไรกันหรกบงเบง่งบ่งเม่งอะไรกันหรอพูดถึงเรื่องความนิ่ตกทันีที่ต้องการอยากจะให้ละอยากให้ถูกไปใน ท, ทา ง, ทางซึ่งมีส ม, มาธิเป็นวนถ่ายเลยก็น้ําลีดชอบมันก็เกิดตาม วาจาชอบก็เกิดตามขึ้นมาคือวิตุนี่วาจาชอบที่พูดกันเดิมมากอธิบาย ก, กันเดิมมากอธิบายถงเรื่องการพูดเป็นคําพูดออกมาเรียกว่าธรรมาวาจาถ้าพูดถึงเรื่องของค์มากันนั่งทำสมาธิอยู่แล้วนั่นไม่มีการพูดนี่ได้ความสงบธรรมาวาจาคือความวิตุ แล้วมาชีวโอที่เรียกว่าเรียนชีวิตชอบก็คือเราเป็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกขณะที่นั่งภาวานาทำสมาธิอยู่นี้เมื่อมีความเห็นชอบชีวิตนั่นก็เป็นของชีวิตชอะเป็นอยู่ด้วยการควบชอบคอน้ำรีชอบชีวิตนั่นก็ได้ชื่อว่าเป็นของชอบมีควบเปอยู่ด้วยกันชอบ คือความชอบความคิดโตคือวาจาในทางที่ชอบคิดันนั้นก็ได้เจอเป็นความชอบที่เียว่าสัมาอาชิอั น, นี้เป็นปูดั้งเรื่องทางกายสัมมาวยามโมคือการใช้ยามมันก็ต่อเนื่องต่อไปเหมือนกันใช้ยามในทางที่ชอบเหมือนกัน ถ้ามีสมาธิผิดเป็นมูลฐานเนี่ยในงานชอบสมาสติพอมาลึกเจ้ามันก็ลึกในทางที่ชอบคิดตึกกรองล้ึกในทางชอบสมาตวที่จิตใจมันจะแน่วแน่ในทางที่ชอบมีกานเรียกว่ามากมีองค์แสมาสิ สมาตังกับโปสมาตังกับปะนี่เป็นไอเป็นองค์ปัญญาเรื่องมากขึ้นปัญญาก่อนนะี้คือสมาธิแล้วก็สมาวิจารสมากั บ, บรมโตสมาชีโวนี่เป็นเรื่องวาจาสมาสติสมาสมาธิเป็นเรื่องจใจ รวมเรียด้วยกายวาจาใจหรือจะสมงข้อเข้าสินสมาธิปัญญากายในอยู่ในเรื่องสิ่งคือว่าสมาวิจารสมากรรมโตสมาธิโจัดเข้าในประเของจิตสมาสติสมาสมาธิจัดเขอยู่ในสมาธิสมาทิจฐิสมาสังกโปจัดอยู่ในองค์ของปัญญา มีว่าเป็นเรื่ององค์มากทั้ธทีายอย่างนี้อันนี้เราไม่ต้องเอาตำราท่านมาคิดเราตั้งองค์จิตตั้งตัวจิตของเราเลยลงไปก่อนให้เห็นจิตผู้ที่ว่าจะให้เกิดสมาธิคือจิตไปพูดเห็นถ้าหากเราไม่ตั้งจิตลงไปก่อนแล้วก็พูดเรื่องนั้นไม่ถูกแล้วก็ไม่เห็นชัดด้วย ในเรื่องทั้งหลายแล้วนะเรื่ององค์มรรคต่างตเพราะจิตเป็นคนดําเนินมรรคองแต่นั้นถ้าพูดทั้งเรื่องมรรคแท้แล้วเป็นงานของจิตพูดทั้งเรื่องการงานของจิตแท้เลยเห็นไม่ต้พูดทั้งเรื่องกายวาจากายก็ต้องครอบภายในอย่างอธิบายมาแล้ววาจาก็ต้องครอบภายในอย่างอธิบายมาแล้วจิตต้องครอบอยู่ภายในอย่างอธิบายมานั่น ที่เป็นสมาธิคือตัวจิตเป็นคนเห็นใช่ไมครับควาเห็นในที่นี่เนี่ยไม่ใช่เห็นสาหรับตำราหรือได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นสมาธิม่ไจะเป็นอย่างเห็นด้วยใจของตนเองรู้ได้ใจของตนเองชัดได้ใจของตนเองจนไม่ยอมเชื่อคนอื่น เชนนื่อตนเองที่ท่านเรียกเป็นภ า, าษาบาลีปัจจค่ะสิธิคือเห็นแจ้งเลยต น, นี้หรือจะเทียบในทางธรรมะหรืยเป่าปัจจตังเวทิตาโพวิญหิวินยูชนคุณรู้ไล้ตนเองสิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายรับรู้ในเห็นได้ตนเองรู้ได้ตนเองจึงจะ เป็นไปเพื่อนิยามกระทัาคือทางที่นำไปทุกคนทุกน้องคิดด้วยสิสิ่งใดทา่เชื่อคนอื่นเนอะความสว่างปลอดตรงในใจของตวเชื่อคนอื่นเขาพูดก็ปว่าฟังฟังไปแต่เนื้อแท้คือความจริงภายในไม่หายสงสัยเนี่ยสิ่งที่เราจะพึงละ สิ่งลักษะโทสะโมหะก็ดีเรอโ ล, ลกรธเราโกรธหลงก็ดียังเต็มบริบูรณ์อยู่เชื่อกันอื่นพูดเอาเถอะถึงคนอื่นเดี๋ยวพูดฟังคนอื่นพูดก็ตามเช่นเราฟังเทศน์ังกามอยู่ในขณะ น, นี้ท่านพูดไปแล้วนะถ้าหากไม่ชัดภายในใจ ต, ตนเองด้วยตนเองแล้สิ่งนั้นละไม่ได้เด็ดขาดมันต้องชัดด้วยตนเนองอย่าละเลยด็ แต่ น, นั้นตัวใจตัวเนี้ยผู้จะดําเนินมากแต่ให้มันเห็นใจตัวนี้สิว่ใจที่จะเห็นแจ้งและไปแจ้งด้ว ย, วยตนเองนั้นมันจะต้องชําระให้สะอาดของใจบริสุทธิ์ขั้นที่ว่านี้ว่าตอนปลายแลย้วจะค่อยมาว่านั่นว่าตอนกลางแล้วจึงจะอธิบายยังตอนต้นตอนต้นคือว่าหัดชําระใจของตอนให้สะา ดยการอาดทำสมาธิออกนะทำลากอารมณ์ไม่มัวหมองจิตแจของเราถ้าหากไม่ฟองใสสะอาดแล้วจะไม่มองเห็นของจริงเลยม้นกระตาของเราถ้าตาโมวตาฝาแล้วดูอะไรก็รูมัวม่วไปหมดเลยดูอะไรก็ฝาดไปหมด อย่าไปว่าเด็ดตาเลยแค่จบ ก, ก็เฉ็ยนดีถ้ามีเร า, า, าอองธุรีเลยจับลแล้วดูแลก็ไม่แค่แต่ป้า ย, ยังเคยเปรียบอีูเสมอว่าน้ําที่เป็นของใสสะาดถ้ามันกระเพื่อมจะไม่เห็นเอาแต่หากมันไม่สงบลงเมื่อไรเงาจะปรากฏขึ้นมาในน้ำนะั่นแหละไม่ใช่มาชัยอื่นเงาไม่ใช่ม า, ากชัย ใจของเราถ้าหากรัดทำความสงบอบลมให้วางอรรละปล่อยวางความคิดความนึกสงสัยไปสายนอกให้จิตพ่องใสอยู่ในเอกะกะตาลมเอกะกะตาจิตคือจิตมีอารมณ์อีวแล้วความพ่องใสคือตัวเงาตัวนั้นจะปรากฏมัน เงาที่นี่หมายความว ป, ปัญญานั่นแหละที่บ่งถึงว่าที่ส่อถึงว่าความชัดเกิดขึ้นนั่นคือเกิดจากตรงนั้นคือตรงที่มันที่มันผองใสแล้วมันปรากฏขึ้นมาปรากฏยังไงเช่นว่าความเกิดแก่เจ็บตายทุกอันนี้เขาก็เรียกทุกใครๆก็ว่าทุกทั้งนะั้น แล้วก็เคยบ่นโอ้ทุกทุกเหลือเกินความพันทากจากของรักของเ ข, งขงา้าใจชอาใจความเศร้าโศกใจอะไรกระทบกระเทือนด้วยประการต่างๆก็หยุดย้งรู้ถูกดูมินแล้วก็ไม่พอใจกลุ่มอกกคุ้มใจทุกใครก็รู้เหมือนกันว่าทุกแต่ว่าเมื่อใจไม่ใจสะอาดก็ไม่เจ้าวาเทียงจะรู้จักว่าทุก แต่ว่าไม่ไม่ทราบมันเกิดจากตรงไห น, นถ้าใจใสสะอาดแล้วนะยึดองใสดีเนะพราะเรื่องนี้มันกระทบก็จะกลุ้มลุ่มก็จะกลุ้มใจขึ้นมาคือทางาจเกิดฝ่าทางใจให้มัวไม่พองใสรู้ได้ชัเดเฉยวเมื่อได้ขี้นี่มันพองใสอยู่ใจมันสว่างดีอยู่ไม่มีอะไรครา้นี้ เมื่อกระทบอารมณ์เขา้ามาเป็นฝ้าแล้วมัวคืออันเรื่องความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่เราว่าเป็นทุกข์นั่นจะเห็นชัดในขณนะเมื่อมันฟองใสเมื่อมันเป็นฝ้ามัวแล้วทุกข์ก็เข้าใจว่าทุกข์แต่ไม่ทราบมันทุกข์เกิดที่ไหนตอนฟองใาในั้นรู้จักทิดเนี่ยเห็นดามเป็นฝ้าเข้ามาบางับางมันบังขึ้นตรงที่ฟองในเห็น ใ, นใจชัดขึงมาแนละ้วมันรู้เรื่องอย่างเนี้อ่ ถ้าทำใจให้ผองใสอาการที่รู้นั่นแหละเรียวกับปัญญาไม่ใช่ว่าไปรู้นระกสวรรค์ไปเห็นชั้นผ้ามิพานหรือไปเห็นสู้ศรีพิศสัตยางที่เรียวกว่าปัญญาแลาว้วนั่นไม่ใช่หรออันนั้นไม่ได้ปัญญาในทางธรรมทน่นก็บอกว่านิดเกิดจากภาวนาคนสมัยนี้เขาถือว่าเป็นปัญญาแบบนั้น ใาทางพุาธศาสนาในะางพุทธเจะ้าสอนไม่ม่เลี่ยกวกับปัญญาเป็นนิมิต ด, ดีไม่ดีเป็นปุจจิเรตอีกครับไปเห็นเข้าแล้วก็วเลยเพินสนุกหลงยึดลงถือเราเป็นจริงูจังจนเสียสุขเสียผลไปแต่แย่พุทธเจ้าสอนว่าเห็นสันจากคือของจิตเมื่อเราเห็นทุกเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยราาักโกรธเป็นพจังเราเนี่ยเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็ไป เรียกว่าสมาธิิเข้าแล้วครับเข้าหลักสมาธิที่อธิบายทั้งเรื่องมรรคแปดมาเบนนื้องต้นชาติอย่างนี้เข้าสมาธิิในเมื่อเห็นความเกิดแก่เจ็บตายและทุกข์กทรมารย์อะไรต่างๆที่อยากแก้ิบายเพราะเป็นทุกข์แล้วใครจะไม่ไปายามอย่างนี้จะทุกข์เมื่อพญายามันก็เรียกว่าสมาวญยามู ให้งานที่จะหนีอย่างครบค้นคว้าไปโดยเข้าใจมีสมาธิิที่คนนี้ชอบไปหนักอยู่แล้วมันก็จะค้นคว้าหาของจริงอยท่นมันทุกข์เพราะอะไรเพราะเกิดแก่เจ็ตายทําไมยังต้องมาเกิดแก่เจ็บตายจะไม่เกิดแก่เจ็บตายได้ไหมกาะหาวัฏฐางที่จะมาให้เกิดแก่เจ็บตายค้นคว้าพิจารณาไปนานๆแล้วเข้ามันก็เข้าใจชาติถึงเดี๋ยอ๋อก้มเกิดเป็นอี๋ เกิดคราบอะไรถ้าเกิดมันแล้วมันเป็นเรื่องยุ่งยืดใหญ่โตทำไงยังไม่ให้เกิดหนีเรื่องสมาธิมันค้นเข้าไปางั้นน้ำรีชอบจะ ต, ต้องหาทางที่จะหนีแต่ก็ทุกข์คือจะเจ็บจะตายค้นไปตามความจริงอะไรเป็นของทำให้มันเกิดแต่ตัวของเราเป็นจุดจิกมันติดอยู่ในนี้ มันก็ไปเทียบกับเวลาที่เราทำกิจให้สว่างปลอดโปร่งไม่มีอะไรเลยมันสว่างปลอดโปร่งไม่มีพุกเดือดร้อนอะไรเลยพอเรามันจะทบทําใจให้เร้าหมองเดือดร้อนขึ้นมาแล้วตัวอารมณ์อารมณ์มันเกิดจากไหนมันกเกิดจากตาหูจ ม, มูกนิ้วกายใจไม่ได้เกิดเกิดจากอารมณ์เกิดจากยตนาหก จับได้แล้วค่นนี้ต้นตอให้เกิดทุกข์ก็คืออายตนะหกอันนี้อายตนะหกนี่มันมีไปเลยทาไงมีมันก็ต้องใช้เมื่อจำเป็นต้องใช้อย่างงี้ถ้ามังไงจะไม่ให้มันเป็นได้พุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นนี่ครัมีมันก็ตใช้อยู่เหมือนกันพระเดยส่งสาวกท่านก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่ทําไม่ใช่จะบริสุทธิ์ได้ แล้วก็ต้องค้นคว้าจะดับกับฟังจย่างวาจังจากสมราตะลาท่านจะดงว่าเกิดจากขวางไปยึดจะจริงไหมคิดดูพลันรูปเชียงกินโลกโรภภพรามีแย้เห็นโลกอันนี้รูปข่ยแย้เชียงข่ยแยะเชียงบางสิง่งบางอย่างทําไมเราจึงไม่ไปยึดมันไม่เห็นเป็นทุกข์รูปบางอย่างที่เป็นของนาที่เคยเนี่ยว่าอิฐขาลง ลราไม่ไปยึดมันก็ไมเมีอะถ้าเราไปยึดแล้วแม้รูปแม่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลมันก็ทําให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์รรคือกรรมกระทำอยากได้ชอบ อ, อกเข้าใจเฉียอกับปลอยใจยนินดีปีนรถเมือนันเห็นชัดแล้วครอ๋อครา้ที่ไปยึดเอานั่นเองมาเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตา มันถึงทําให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ครั้งนี้สาไวไปถึงตัวอัตตาและคันคือความถือป่าสาวเขาเนีตัวนี้มันเป็นทีถ้าตาตัวนี้นี้แล้วนะยึดได้หมดข้อนิดนิดเลยไปยืดอันนข้อไม่มีสาลระเลยไปยึดเอาไปพิสข้อนิดนิดหน่อยหน่อยโดยที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเวลาก็เป็นไม่หมดถ้าตานี้แล้ว เหตุนั่นที่เราอาทิบที่เราพิจรารณาเรื่องกายกับตาคืออัตานีิเองคึ้นตัวตนเหล่านี้ที่ยันฮะที่ยันอาจเป็นเห็นเป็นธาติธาติไม่ใช่เป็ น, นของแข็คฐานี้ในโลกนี้มีใครไปยึดดินน้ำเป็ลกไม่ใครยึดบ้างถึงแม้เขาจะยึดจับจองเป็นที่เลื่องตัวใดน า, นาเขาจะถักเทกวะจับจอง แค่เขาไปถากไปถางเรื่อเขาไปขุดไปไอ้ซับอะไรต่างๆมันก็ไม่เจ็บถึงใจอะก็เป็นการใหญ่เป็นโตเจติ้งสองมายึดมาแย่งนันมันความยึดอันน้นเอจ้ะเข้าถึงใจค่ะขี้ดินหน้าเนี่ยน้าเป็นนโขงนี่ลองดูสิใครจะล้มอาบลงลง่ลงลง า, างชำระชาวสารหรือว่าจะเทของหมูดมูดขุดด้วยของถลบก อ, อกอะไรอยงน้ล ง, งไปมันก็ไม่เห็นน้ําของใคร ลมที่พัดไปมาอนุงกันยินป้ า, ากาดไหมถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ใช่ของเราแม้ที่จุดเดลมให้ใจอยู่ในจมูกของเราเนี่ยหายใจขเข้าใจออกมันก็ผ่านได้ผ่านมาแล้วไม่ยึดมันก่เฉย ๆ, ๆอยู่ก็ไม่รู้จุดก็กเป็นของเราสิครับนี่เพรา ะ, ะาานานเราปฏิญ น, นาเรื่องธาตการพิจารณาเรื่องธาตุมัลบอัตราคือต่ อันนี้เมื่อท่านแสด ง, งเรื่องธาตแล้วสติประธานสี่คือตั้งสติกำหนดกายกำหนดเวทนาจึงเกิดจากกายกำหนดถึงเรื่องจิตที่มาอาศัยอยู่กับกายแล้วก็กำหนดให้จนเป็นทัพกายก็เป็นธรรมธาตุคือเป็นรูปธาตุเวทนาก็เป็นธรรมธาตุคือเป็นนามธรรม จิตก็เป็นนามธรรมเลยเป็นธรรมนัเลยสบายคุณไปทำเลยสบายพิจารณาจนกระทั่งให้ลงเป็นธรรมการที่พิจารฐนาให้ลงเป็นธรรมเนี่ยคือการลบอัตตาคติดดวงเราไม่ให้มันถืออัตมีมันหน้าดีตัวนี้ตั ว, วงหายไปไม่รู้ดตวัวชาติหายไปได้ไหนที่มาไหแล้วเมื่อเราเห็นชาติอย่างนี้แล้วเชื่อธรรมเลยนะ ที่เราจะแสวงหาหน้านาธรรมไม่ตามอยู่ไหนกันครั้งนี้เพราะว่าเห็นเป็นธรรมทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมเป็นทางทั้งหมดเอธรรมเลยอยู่ตรงนี้นรัไม่ได้มีที่อื่นอี่ไกลในครนีตัวจิตมันก็หยวมันไม่ไปหาธรรมนะครับได้ธรรมเห็นธรรมถึงธ้รมอีกคนนั่งหลายปฏิบัติชอบใจนักงนาว่าถึงธรรมวัดคนนี้ผ่าไม่ถึงธรรมฉะนั้นคั้นี้ อยากจะได้บรรลุถึงธรรมย่างไงอย่าง น, น, างนี้อยากจะเห็นธรรมยังไงนี้พากันหากันโงจนไม่มีขอบเขตถ้าหาพิจารณายัางเห็นธรรมอยงนี้แล้วไม่ต้องหาแั้วแหละค่ะนี่หมดเลยครูก็ไม่มีอื่นไกลอาจารย์ก็มีอื่นไกลอยู่ในที่นี้เลยธรรมก็อยู่ในที่นี้หมดในที่นี้มักสบาคนที่หาธรรมคือคนไม่เห็นธรรม ิ่งที่เเห็นเราก็ต้องหามว่าใดทั้งหมดทากานอกเพราะฉะนั้นท่านอย่างพิจารากายเราจะปฏิบททัติธรรมจะไ ป, ปฏิบัติอื่นนอกจากาก า, ายเราอยากจะเห็นธรรมรู้ธรรมนอกจากเราพิจารณาแ ล, ยายาาแลา้วไม่นีนี่ว่าเป็เรื่องหลักแรงในการที่จะให้จิตอยู่จะมาเคยอธิบายเสมอเขามาหลัก ถ้ามันเป็นหัวตอ่อเขาก็เรียกว่าหลักถ้ามันมีเขาก็เอาไม้เกง่งๆหรือปักไว้หรือปูนทีเ่เมนเขาหล่อฝังไว้อันนั้นเขาเรียกว่าหลักแหลงน่เขาหมายถึงเชือกผูกงูผูกควายไว้กับหลักอนั้นเขาเรียกว่าแหลหมายถึงเชือกที่ผูกควายผูกคอควายไม่ให้มันไปอื่นไกลในกลางคื้นนั่นองเทอะให้มันอยู่กับหลักนั้นเยเรียกว่าแหล นั่นทำทัมท้มดของเขาคราวนี้คำว่าฐานน่นเรียกว่ากรมมะคือการกระทำฐานนั่นคือให้หนีที่ตั้งถ้าหากเรายึดอันนี้ไม่ได้ไม่รู้จักหลักอันนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อว่าวิจิตใจส่งสายวิยงโน่นวิ่นี่ระอาจารย์โน่นพอาจารย์นี่อันนี้ก็ไม่ดีสักอย่างรู้ไปไหนก็ไม่มีไหวดีสักอย่างอันนี้ก็ไม่ถูกคลิปอันนี้ก็ไม่ถูกก็มีใช้อะไรว้าที่เขาตีใหญ่ตรงข้อาน พราะมันมีนมหลักถ้ามีหลักแล้วให้มีแรงหลักคือสติ ค, คือกายของตัวของเราแรงคือพิจนาอยู่ในนี้ตามไนายะแห่งสติปัฏฐานสี่พูดดีๆแล้วพระท่านแปลงกล้องเลยสติปัฏฐานสีคือกายวินาจิตธรรมดังที่มหาเมรุกีนนั่งกล้งเป้งเลยถ้าเราทําย่างนี้มันก็จะถูกหลักมีหลักมีแรง ไม่ต้องไปดื่มหมายความว่าไม่ใช่ให้อยู่ไม่ไม่หมายความว่าให้อยู่นิ่งไม่คิดนึกอะไรเ้ยเลยไม่ใช่อย่างนะเหมือนกับควายเนะ่ะงัวก็ตานแล้วก็ผูกอนะ่ะไม่ใช่ติดอยู่กับหลักไหยแต่มันอยู่ในบริเวณนะั่นแหละไม่ให้ไปน่ะประดับตกแต่งตรงนั้นตรงนี้อะไรต่งตางๆอันนั้นเป็นเรื่องเพลินเรื่องสนุกเรื่องหมู่เม่าอาเวชนาเวชนาก็อยากจะให้มหาลงบดับสูญมหามันมี เนี่ยอยู่ทุกขสบายไปลน้องอ้าพิจารณาจิตก่อนไม่อยากคุมมันมันก็ปล่อยตามอารมณ์มาคิดนึกสงไปมันเลยได้เป็นธรรมเป็นเนาะเป็นธรรมภาคุสุขข้ามว่าแรงไงที่ให้มันวนเวียนอยนู่ในที่นี้แหะคือเราพิจารณากายไม่ใช่พิจารณาอย่างน น, นั้คูดนี้คําหนึ่งเรียกวปฏิวัติความคิดความเห็น กลับให้พิจารณาเห็นทุกเห็นปฏิกูลสุดโคกในตัวของเราให้เห็นเป็นอนใดอย่างทุกขังในาตาถึงไม่เห็นกระตาถ้ามันมีแรงกูกไว้ถ้าเอาคนเวีนอย่างนี้นะคิตพิจานาอย่างนี้แะเหมือนกันแล้วกูบเขากูฟาลายกูกงัวไว้ในหลักไม่ใช่มันนิ่งอยู่กับมันจีอยู่กับหลักแต่มันวนฟ้อมอยู่นั่นแหละเราพิจารณากายกันเหมือนกัน ถ้ามันวนอ้อนน่ยโดยให้เห็นเป็นอิคังทุกสัตว์เรียกว่าเห็นเป็นไตรลักษณ์เด็กก่อนเราไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์นี่พิจารณากายก็อยากจะให้มันสวยสดงดงามมีชีวิตยืนนานสุขภาพอันใดดีสมบูรณ์ไม่เดิมไปนั่นครนี้เรามันกลับพิจารณาให้เห็นความจริงตาจริงจิตความจริงกับเบ้งกันจริงเป็นอสุภะจริง ก น, นี้ยังขงังจริงๆเป็นภาพุจิตนะไปตรงจริงจิตแต่ทางนี้เราเป็นทางลบที่ก่อนเราเป็นทางบวกเป็นเรื่องบวกเอทนาคืเหมือนกันเอทนาเกิดขึ้นตรงไหนล่ะเราจะต้องจับเอธนาเราคิดิปเอธนาให้จิตมันอาลงมันเดียวมันดีแล้วคนเรานั้นถ้าหากว่า จิตมันไม่มันไม่ไปมั่นอยู่ในอารมณ์อะไรหนึ่งแล้วมันปรุงสร้างเอทนาเกิดขึ้นมาลอาคิดดูสิ<ม>อย่างอะ่รเจ็บหัวปวดปฟองอย่างขนาดนักเป็นไข้เป็นหนาวอย่างขนาดนั้นท่นานี้นมันกลัวตายมันกลัวตายจิตมันไปจดจ่อเฉพ่อนนั่นมันเข้ามาเป็นสมาธิแล้วแต่เรายังไม่เป็นสมาธิจิตมันเข้ามาได้ว ต, ตัวเรายัางพิจารณาให้เป็นสมาธิไม่ได้คือปัญญามนันไม่มี ถ้ามันเป็นมั น, ม, นมีเวทนาครอบงามเข้ามาแล้วจิตมาจดจ่อในเรื่องเดียวแล้วมันไม่ได้ส่งไปที่อื่นเราจะดีมาที่ยังดีเวทนามันเกิดจากอะไรทัอยู่ตรงไหนเวทนาเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของจิตเวทนาถ้าเป็นเรื่องของกายจิตไม่ไปยึดเวทนาจะไม่เป็นทุกข์ักเดอวชื่อว่าเวทนา ถึงจะเจ็บจะปวดแต่ว่ามาันไปลบ ก, กวนให้ใจคือความสุขสงบของใจเสื่อมสูญไปจะเป็นได้ผู้พิเจเรณาหรือเป็นผู้เห็นผู้รู้อยู่สักกี่วันเี่ยนเห็เวทนาในไม่สามารถที่จะลบ ก, กวนให้เราเกิดทุกข์ทุมนั่นได้ลคือเห็นเป็นธรรมดาของเวทนามันทำหน้าที่ของมันเองนั้นมันปรากฏขึ้นนะเพราะสิ่งแวดดอมหรือสะเทือน ประสานี้มีอยู่ตราดมดันก็ต้องเวทนาอยู่ามคลิ้กเจ็บปวยเางนี้มันต้องเถื่อนในประสาทประสาทยังมีอยู่จิตมันก็ต้องรู้สึกอยู่ต่อตลอดเวลาแต่ว่าเราเห็นชัดแล้วไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเวทนามันก็ลอยวางลงไปได้แต่เห็นแต่เวทนาเป็นธรรมแล้วไปชัดเป็นอ้อเวทนาเกิดที่กายถ้าหาไปยึดเวลาได็มันก็ยิ่งหนักเขาถ้ า, ายึดมันอยู่เพียงแค่นั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาลบล่างความดีกักบความสุขควมสงบของเราได้คนบางคนนั้นชอบสงบจนไม่รู้สิกตัวให้นิ่งไม่ปราโกฏินาที่กายเห็นว่าเป็นควมสุขสบายอย่างที่อันนั้นไม่ถูกมันต้องเห็นจะไปจนกันอยู่เฉพาะหน้าทอ่ครั้งที่ไม่มีละได้ง่ายไม่ต้องละมันหรอกเหมือนไม่มี ของที่มีแล้ล่าได้เป็นของแสนยากที่สุดและมีสักขีพยานด้วยเวทนาปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วพิจารณาดันที่ภายต่ามาย่อยย่อยจิตเราไม่ไปยึดเวทนามีอยู่แต่เราไม่ไปยึดอันนั้นเป็นของจริงของแท้ทีเดียวอันนั้นเป็นตัวพิเศษที่สุดหาได้ยากที่สุดคนมีเงินมีนถยถาเฉดียชื่อเสียงไม่หลงเกินนี่ หายากไม่เสี่ยงของน้อยเวทนาอย่างขนาดหนักไม่เข้าไปยึดเพราะปัญญาดีไม่ได้หลงในเวทนาไม่ใช่ของหาได้ง่ายถ้าหาเข้าไปสงบไม่มีเวทนาแล้วจะเอาอะไรมาพิจรารณามันก็ม้มีเครื่องวัดเคื่องเทียบมันต้องมีเครื่องงัดเครื่องเทียบมันยิ่คยมีสติปัญญา ย่อกับมีเหตุมีคนเหตุนั้นบางคนที่ชอบความสงบนั้นทำความสงบนิ่งอยู่คนเดียวโดยมารู้สึกอะไรเลยนั่นเป็ซึ่งของดีวิเศษครับควาจริงไม่ดีอันนี้เรื่องวทนาวิทยาศาต่อสู่นี่ว่านักลบนักลบกระ้ะอย่างกระหารดีเดี้ววิยาศาสตรเรื่องจิตยังไงครับจิตคือผู้คิดตัวนึก จิตนั่นจะให้อยู่นิ่งเลยเฉยไม่หยุดไม่ได้มันจะตอนน้องมีคิปนี้นึกแต่ว่านึกในทางที่ชอบที่ถูกอย่างเราตั้งมาจำกระปะเจะทิพานนะดำริในการที่จะหนีจากทุกเห็นโกรทุกเจนีจากทุกอาวัยที่เหตุผลจากทุกแค่ ว, ว่าดํำริในทางที่ชอบให้มันดํำริในทางที่ชอบจิตจะให้นิ่งมีเฉยนิ่งไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่าปฏิบัติถูกต้องถูกทางของมันวมกกรวมเข้าไปเป็นเอกคพตาหรือรวมเข้าไปเป็นฌานหรือรวมก็เป็นเป็นสมาธิแม้ถึงฌานเองที่ว่าเขวางเขาวางจิตรวมเข้าไปไปอยู่คนเดียวแล้วไม่ใช่มันอยู่มันก็อันว่าที่จริงเนะี่ยมันมีอารมณ์ของมันอยู่ของมันตัางหาเหมือนกันเมื่อเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีอารมณ์นะ่คือคนไม่ทันตาไม่ทัน คือตามจิตตรงนั้นไม่ทันแท้ที่จริงมันจะมีอารมณ์ของมันข้อหนึ่งต่างหากแต่เราจะหยิบเอาอารมณ์อันนั้นที่มันสับเบญนั้นมาพูดจำพูดยากที่สุดยากที่จะหยิบมาพูดได้และยากที่จะสมมุติถูกอีก ด, ด้วยตรงนั้นแล้วถือว่ามันมีอารมณ์เจ้เราอยากจะเห็นดีอราจมาเห็นดีตรงว่าเมื่อเรา ทำความสงบหรือจิตเข้าเป็นฌานอย่างที่ว่าอะไรเวลาจิตถอนมาจากนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเดิมเป็นอย่างไงกี่เดเมีอะไรเท่ารรเาขาไม่ถ้าใช้วิบยิธีอย่างที่ว่าอย่างต่อสู้มันลบล้างตัวเราไปคืออัจจายัางอธิบายมาในเบื้องต้น ลบอัตจาลงไปโดยที่เราไม่ตั้งใจลบหายศูนย์ไปเลยรู้ตัวมันเห็นเป็นธรรมเลยใช่ไอัตจาร์เลยไม่มีความอาจจะมีมาหน้ที่เติมเต็มตัวกบกลุ่มโลกกุ่มลงอะไ ร, ร, ร, ร, ร, รมันก็กคอยสงบเพราะความชัดมันเข้าไปนะครับเรื่องกิเลสทั้งหลายนั่นใช่จะปุปปมาก็เปรียบเหมือนกันแต่ว่ากลอยน่ะเป็นของเมามีรสชาติเมา ถ้าเขามาใส่ด้วเรับาซอยนะให้มันละเอียดเป็นแผ่นเป็แผนกราดเอาเป็นแผ่เป็นแผ่นไปแช่น้ําไหมน้ํำนั้นมันซึมซ่าบเข้าไปในกรอยนี่รถที่เป็นของเป็นพิษเป็นสงค์คือมรถเบื่อรถรถหมอมันก็จืดจางหาการที่เจรนากรายสไตล์ทีพิจารณาเห็นเป็นธาตสีน้ำไปลงนักอธิบายนี้เป็นจนอ มันเข้าไปถึงของจริงควอมันไปชำระมันทําให้ความคิดคืออตัตนายคืออัตตาถือตนถือตัวจืดไปหมดไปเป็นธรรมไปหมดถ้าเป็นธรรมแล้วก็เข้าได้ทุกอย่างนะครับเหมือนกับลอยที่จืดนะคจะทําข้องหวังของขาวได้ทั้งนั้นถ้ามันจือดอคนเรานั่นถ้าหามันลอยวางอัตตาเสียแล้ว มันจะมา ม, ม, มีมันหนาแรงดังมันหายไปหมดจะทําทเป็นคนโง่ก็ได้ทาเป็นคนเหยนลาก็ได้จะเข้าตั้งควมต่ําสูงเลยหมดไปให้ตามทิ่ได้ได้หมดเรียกว่าคนไม่คับโลกอันนี้ว่าถึงเรื่องจิตการชําระจิตในจิต ป, ประฐานสิ่เมื่อชําระจิตแล้วก็มันเข้าถึงของจิตแล้วจะเป็นฐาน เลยเป็นธรรมเลยข้อนะกายก็เป็นธรรมเวทา น, านาก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมนี่เลยว่าถ้าหากเราจะชำระจิตแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันเกิดความรู้ความหลาดขึ้นมาเฉพาะที่จิตซึ่งเป็นของบริสุทธิ์ความรู้นะเป็นของตนจิตไม่ได้อาศัยตหนักตำราหรือความคิดความนึกของคนอื่น ถ้ามันเกิดความรู้ขึ้นมาในที่นั้นเกิดเองเป็นเองขึ้นมาเรียกว่าปัจจคติทิจะต้องชําระใจตังตนให้ใสะอาดเดี๋ก็ต้องเห็นดุงใจสะอาดแล้วเห็นเรื่องกิเลสอะไรเกิดที่ของใจเราตั้งใจํารมะเ็นเฉพาะเมื่อใจสะจอาดชําระให้สหะอาดโดยสุดขั้วจบความรู้จริงจะเกิดขึ้นมาจากอันนั้นนี่จะเป็นของจริงความรู้อืนอ่นๆนะ่ะเป็นของปลอก ไม่สามารถจะทําประโยชน์ให้เราค้นจากของที่ดิเหล่านั้นได้นอกจากในค้นเรายังจะมีเรื่องสะสมเป็นต้นอย่างคนในสมัยนี้ศึกษาเราเรียนมากเอ อ, เออเออไม่ฟังรู้ไม่ต้นเลยไม่ยอมปฏิบัติตนเลยไม่ยอมที่จะปรับปรุงตนของตนให้เข้าถึงความจริงลืมลืมในเรื่องมากของจริงทั้งหมดเพอร์เฟคตามของรู้ทั้ง จึงเป็นเรื่องให้โลกยุ่งกัน อ, อยู่ทุกวันนี้เพราะอันนี้เองเนี่ยอธิบายถึงเรื่องมักควิถีแนวที่จะให้เข้าถึงมรรคปฏิปทาทางที่จะพ้นจากทุกโดยเฉพาะขอใ อ, อจะเข้าใจและเร็ ย, อยนอ่านละ